เราได้สูตรนะบัดนะัดแต่งนะัดนะสูตรนะ้ดงไวริฟังไม่ใช่ตัว ต, ว ต, วแตนะแทำให้ระลืึกถึงนะความไม่ใช่ตัว ต, วตวทนที่บันทีพวกเรายัางเดินได้นะยังทำงานได้นะ ท, ำทำนั่นทำนที่ได้บันทีมันก็ย้อนแยงแล้วมันก็สามารถที่แบบ บังคับบัญชาได้น ะ, ะสั่งให้เดินก็เดินสั่งให้กินก็กินสั่งให้นั่งก็นั่งสั่งให้นอนก็นอนอรู้สึกว่าร่างกายมันก็สามารถที่จะเป็นไปอย่างที่ใจหวังหรือว่าต้องการให้ได้หลายอย่างอยู่เรื่อว่าโดยโดยหยาบโดยพื้นฐานเะนี่ย เราก็ทําได้หมดเลยอนะเราสามารถแต่งการนะร่างกายเป็นอย่างที่ต้องการได้นะเพราะว่าสภาพร่างกายมันยังเรียกว่าสมบูรณ์อยู่นะครับนะหรือว่าถ้าถูกพ่อไปบ้านด้วยความแชล่านะก็ก็เสื่อมไปบ้านนะแต่มันก็ยังรู้สึกว่าร่างกายนี้ก็ยังทําอะไรได้หลายอย่าง มันก็ยังเป็นสิ่งที่เราสามารถบังคับบัญชาหรือว่าจัดการได้แต่จริงถ้าเราพิจารณาดูจริงๆนะมันก็เป็นเพียงแค่ช่วงขนาด น, นี้เท่านั้นนะหรือที่จริงสิ่งที่เราบังคับบัญชาได้มันก็เป็นเพียงแค่ลูกบ้านไทยนอกนะเป็นอิเล็กท์ไทยนอก แต่อวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายเนี่ยเราไม่สามารถบังคับได้นะหัวนใจเราจะบังคับให้มันเต้นเร็วเต้นชา้านะได้หรือเปล่าอาจจะพอได้ถ้าดูจา้จัดควบคุมลมหายใจนะตัดไตใส้ฟุงและเขาก็ทำงานของเขาเองนะอย่างเมื่อวันพุทธวันพรหัณที่ผ่านมาทำงานต้ไป ไปที่โรงพยาบาลนะไปทำโครงการกับทําหมอไปโรงพยาบาลเรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบประครับประคองนะก็ได้ไปเยี่ยมคนป่วยนะติดเตียงนะหลายติดเคสมากนะบางเคสก็เรียกว่าเจอกันมาหลายเรือนนะนะไปทุกเดือนะไม่รู้จะดีใจเลย เขาเจนดีใจที่เจนเราไม่เปล่านะเพราะว่าบางทีคนไข้ก็อยากจะออกจากโรงพยาบาลแต่ก็ออกไม่ได้นะเราเนยเจนก็อย่างน้อยก็ดีดีใจที่เขายังไม่ไปยังไม่ไปยังไม่กลับไปตรวพบปูใหม่เคยยังอยู่ที่โรงพยายบาลแต่ก็เห็นคนป่วยหลายคนที่ สภาพร่างกายที่เรียกว่าบังคับกระชากไม่ได้นะ่มันชัดเจนมากเเช่นนอนอยู่บนเตียงนะขยับขยื่นไม่ได้นะทำบางคนนี้ก็ทำได้เพีงคแค่อย่างมากก็ลืมตานะอาจจะได้ยินสิ่งที่เราพูดไปว่ากนะ็ตอบสนองด้วยการลืมตาการขยับร่างกายก็ทำไม่ได้ หายใจใส่ท่อช่วยหายใจนะมีออกซิเจนนะคอบอยู่ตลอดเวลานะกินอาหารทางสายยางนะบางคนก็ขับสึ้นี่ก็ต้องใช้สายยางแส่อื่นก็ต้องใช้นะแผงนอนนะมันก็จะเห็นได้ว่าสภาพร่างกายนะมันเขาไม่สามารถที่จะทำอะไร ได้เองเลยนะแม้แต่พื้นฐานที่เคยทำนะอายจะทำได้เพียงแค่ อ, อวัยวะภายในที่เขาทำของเขาเองนะแต่เรียกว่าไม่สามารถจะควบคุมอะไรได้ถ้า แ, แบบนี้เคสแบบนี้นมีมีเยอะมากมีเยอะมากน ะ, ม, ะ ม, กนะมันบางคนก็เป็นข้าราชการทนะ่านผู้ใหญ่นะบางคนก็เป็น พยาบาลที่เคยทํางานที่นั่นเองนนั่นแหละบางคนก็บางทีบางเคสก็เป็นคนที่นละําบากเนาะเป็นคนจากประเทศลาวนะเดินทางข้ามข้ามมาเพื่อรักษาตัวในลงพยาบาลที่เมืองไทยที่น่าจะดีกว่านะแต่ก็รักษาไม่ได้ก็มีความคาดหวังเหมือนกันเนาะนะ อยากจะกลับไปที่บ้านนะแต่มันก็เป็นความลำบากเหมือนกันนะกลับไปมะเร็งเนาะปวดเมื่อยมากขนาดตอนนี้ยังแบบปวดเมื่อยต้องใช้มอร์ฟีนอยู่ตลอดเวลานะอาหารจะกินไม่ได้นะต้องใช้สารอาหารให้อาหารตลอดเวลาแต่กลับไปก็ตอรมามนก็ลำบาก มันเป็นความลำบากใจทั้งหมอพยาบาลทั้งคนป่วยทั้งญาตนะิคนใ mm hmm. นโซนราวเนี่ยเงินทองก็ไม่มากกนะารรักษาที่ประเทศเขาก็คงไม่ดีนะแต่อยู่ที่นี่ก็กลัวมีปัญหาถ้าตายก่อนกลับประเทศนี่ก็การค่าเจ้จ่ายหรือว่าเอกสารอะต่างก็ยุ่งยาก คือมันเห็นเลยว่าบางทีความทุกข์ของร่างกายเนาะมันก็อาจจะเกิดกับเราไปได้นะวันนี้ยังไม่เกิดกับเรานะเราก็ยังประมาณในชีวิตนะว่าเรายังเดินได้ยังทํางานได้ยังใช้ชีวิตปกติได้แต่โครคพวกนี้เปใหญ่บางคนก็เป็นโดยกระทันหัขนขนาดไหะ อุบัติเหตุเมือเ่อโยนบ้านเส้นเลือดในสมองตีบหรือว่าแตกบ้านก็เป็นอำมาพื้นคำมาพาดแบบไม่ทันรู้ตัวพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นคำมาพื้นคำมาพาตกอดบวมตามมาใส่ท่อด้วยหายใจใส่นานเกินสิบาวานนะันแล้วหมองก็อยากจะจับคอแต่ทางนั้นแหละมันก็เป็นสภาพที่ร่างกายมัน บังคับเป็นชาไม่ได้นะแต่ก็รู้สึกเลยว่าธรรมะช่วยเยียวยาไว้ได้ที่ไปก็ก็คือไปช่วยเยียวยาจิตใจนะของผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่ว ย, ยนะหลายๆเคสเราสามารถสัมผัสได้เลยว่าขอให้เขาได้ทำบุญหรือพอพูดธรรมะให้เขาฟัง รู้สึกเขาตอบสนองนะทำนั่นบางคนขยับตาได้ก็ดตาโงขึ้นนะฟังเรื่องราวธรรมะนะฟังเรื่องการวางใจนะเขาก็รู้สึกตอบสนองได้นะหรือนะเราใช้เนี่ยความรู้สึกตัวนะเข้าเคลื่อนไหวเองไม่ได้นะเราบีเรานวดเราสัมผัสนะรู้สึกตัวไหมบอกเขานะ ก็รู้สึกเขาเหมือนตอบสนอง น, น ะ, ะแม้เขาเคลื่อนมาเองไนดะ้เราดีนะราจับให้รู้สึกตัวนะเขาก็รู้สึกว่าเออรู้สึกรู้สึกดีขนะัดมารู้สึกตัวเวลาก่อนตอนนั้นอาจจะอยู่กแบบับความคิดอาจจะอยู่กแบบับความโด่งอะไรบ้างก็มไม่รู้อะไรขนะดนะแต่พอลับมารู้สึกตัวรู้สึกเหมือนมีชีวิตนะขัดมาเหมือนมีชีวิตอีกทั้งหนึ่ง บางคนอเรียกว่าพูดไม่ได้นะแต่กลับ ม, มารู้สึกตัวน้ําตาไหลนะน้ําตาไหลออกมาอมนอนอยูนะ่นะั่นแหละะแต่น้ําตาไหลนะพอรู้สึกว่าเหมือนเป็นปิติในใจเนะนะอาจจะปิติที่ได้เจอพระปิติที่ได้ตำบุญหรือใครเป็นปิติที่รู้ตัวท่า น, นั้นเราก็ไม่รู้นะนะ แต่ก็นตอบสนองพูดกงี้ได้นะหรือบางเคสถ้ายังพอขยับขยับมื อ, อหรือว่ารู้สึกตอบสนองพูดคุยได้ก็จะเห็นวนะ่าพอเขาแค่สอนแค่ให้พลิกมื อ, ข, อ, มอข้อมือแค่นี้นะหรือกบมือแบมือนะ เป็นไข่ที่แต่ก่อนเงาเงาน ะ, ะรู้สึกยิ้มได้นอะยิ้มนะ่ะพอเขาแค่รู้สึกตัวเนะอ่ะรายยิ้มก็ปรากฏในใบหน้านะในหลายคนหรือบางคนก็ถามว่าเป็นในจิตใจกันนี้อยู่ที่ไหนบางคนตอ น, นแรกก็บอกอยู่ที่บ้านแต่แต่กลับบ้านอนะ่นะพอกลับมารู้สึกตัวเป็นในตอนนี้ใจที่ไหนใจกลับมาอยู่กับตัวแล้ว บางคนก็ต่กอนอ่าจิตใจมันฟุ้งซนะ่านพอให้มาทำความรู้สึกตัวเป็นไงก็จิตใจก็สงบนัดสง บ, ส บ, สบขึ้นนะประมาณนั้นแต่ผู้แบบนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแบบนั้นนะเราก็ช่วยได้นะไม่ก็อาจจะบางคนนะประมาณสักครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งบางทีก็ บอกว่าตอนนี้เป็นยังไงพิกเงืออยู่ใจก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยครับ <c oughs> ไม่ยอมมาสึกทีนะใจอยากจะกลับว่านนะก็อ ย, อยู่ที่บ้านอยู่เรืองทีให้ทำไปก็ดูไม่ค่อยตอบสนองเพราะบางทีความทุกข์ของกายเขาก็เยอะครับหรือว่าอาจจะเดยพื้นฐานที่ไม่เคยปึกไม่เคยหัดมาก่อนนะให้สอนนิดนินหน่อยหน่อยบางทีก็ ก็ยังไม่พอนะแต่ก็ถือว่าได้บอกไปก่อนแล้วก็ให้บอกญาติบอกพยาบาลนะให้ลองช่วยกระตุ้นต่อต่อเนื่องไปว่าเผื่อมันจะดีขึ้นนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยคือแม้แต่ร่างกายเนาะบางทีมันก็มีความทุกข์นะพเพราะโรคใครไข้เจ็บหรือบางทีก็อีกหลายๆลายอย่างก็บังคับกัญชาไม่ได้นะแต่ถ้าจิตใจ เน่เขาดีจิตใจเขากลับมารู้สึกตัวเนี่ยหลายคนก็สามารถทํา่ันได้เลยนะว่าเออแม้ยังทุกข์เรียนนอนอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะแต่จิตใจสามารถมีความสงบมีความสุขได้นะในความทนจากความทุกข์ชั่วขณะได้เนี่ยนี่คืออนุภาพของความรู้สึกตัวนะถ้าเราทําความรู้สึกตัวบปป่อย อนโนพาสมาเนี้ยจะทําให้เราเห็นว่าจิตใจมันก็เป็นส่วนหนึ่งร่างกายมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะร่างกายนะหลายคนเห็นชัดเจนว่าบังคับบังคับไม่ได้นะความทุกข์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมทุกข์ของร่างกายแต่ถ้าเรามีฐานนะมีฐานของใจนะกลับมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวเนี่ย มันต่ไปบ้านอ่ะก็กลับมาไม่แต่กังวลกับความทุกข์อ่ะก็กลับมานะให้เห็นอนะบางทีก็ถามวะเจ็บตรงไหนอนะเจ็บท้องใช่ไหมไม่ใช่เราเจ็บใช่ไหมใช่เจ็บแตท้องอะไม่ใช่เราเจ็บอ่นะมันก็จะเห็นแง่ได้เออมันเจ็บแตท้องนะแต่แต่ร่างกายทั้งหมดหรือว่าใจทั้งหมดไม่ได้เจ็บนะ นี่คือสิ่งที่มันเยียวยาได้ครก็คือธรรมะหนึ่งจะช่วยเยียวยาจิตใจเนี่แหะจิตใจที่ทุกข์นะให้เป็นจิตใจที่ไม่ทุกข์หรือจิตใจที่หลงนะหลงไปอยากจะกลับบ้านหลงจมความทุกข์นะหลงคิดนะเหม่รอยอุ้งซ่าที่นี่คือเครื่องมือที่ทำให้เรา กลับมาบ่อยๆนะถ้าเรากลับมาได้บ่อยๆนะีนะ่แหะสติมันก็จะอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นนะสติกลับมาตรงนี้นะก็คือเรากลับมาจากความใจลอยกลับมาจากความคิดฟุด้งซ่านนี่คือถ้าเราทำเนาะเราก็จะให้ผลนะหลายคนที่ว่าเป็นคนป่วยเพราะเขาได้ทาเนะี่ยเขาก็กลับมาได้ อีกส่วนหนึ่งมารู้สึกเลยว่านันพอไปสอนคนอยู่บนเตียงเนี่ยเพื่อนมันเป็นภาคบังคับของเขานะ <c oughs> เขาหนีไปไม่ได้นะไม่มีทางเลือกอื่นนะนอนอยู่ตรงนั้นเหมือนพอมีอมีทางออกมีตัวเลือกนะให้ลองทําตรงนี้ดูนะพอลองทํามันก็ได้ผลนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเลือกหนีความทุก ด้วยวิธีอื่นเนาะแต่คนปกติเนี่ยมันจะมีวิธีหนีความรูกหลายอย่างมากนะเราปวดขาอนะแล้วก็เกียรติขาได้อนะเรานั่งนานๆเราก็เกียรไปทําอย่างอื่นได้นะเราเบื่อนะแล้วก็มีงานอดิเรกอีกหลายอย่างที่ทําแก้ความเบื่อได้บางทีอิเลียบดเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นตัว เรียกว่าทำให้เราไม่เห็นทุกอย่างชัดเจนอินเทียมบอดคืออะไรนะการเปลี่ยนแปลงของอิเทียมบอดต่างๆนี่แหละมาทำให้เรามีแต่ความทุกข์นะต้องดูดีๆด้วยนะบางทีในการเดินในการนั่งในการยืนในการนอนในการทำอินเทียมดต่างๆนี่แหละส่วหนึ่งมันเพื่อเป็นทําทุกข์แต่ส่วนหนึ่งก็คือการมีทุกข์น ะ, ะต้องดู บางทีนักปฏิบัติบางทีก็ต้องฝึกนะฝึกคงทีนั่งจเจ็บปวดเ ม, มื่อยนะลองทอยขึ้นมาสักหน่อยกูซิน ะ, ะอย่เพิ่งเปลี่ยนนะเดินบางทีมันมีความเบือนะลองอยู่กับความเบือสักหน่อยกูซิน ะ, ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปนั่งเลยนะอนะันะ่งมีควา ม, มง่วงมีความเบือนะ่อลอง สร้างสตินะเห็นความเมื่อเพื่อส่วนหนึ่งแต่เราก็จะส ร, สร้างสติของเราส่วนหนึ่งนะอยู่ประมาณแาบนั้นลองดูสิมันจะเป็นแบบไหนนะมันจะเห็นนะนะลองทนกันมาสักหน่อยว่ามันจะคงที่ไหมนะมันจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ว่าไปใส่ใจมันมากเกินไปนะแต่เหมือนคล้อาศัยความอดทนอี่าเพิ่งเปลี่ยน <c oughs> จะเพิ่เปลี่ยนตามความคิดนะจะเพิ่มเปลี่ยนตามความรู้สึกนะจะดพิ่มเปลี่ยนตามความอยากนะลองคนไปสักพักนึงก่อนนะไม่ว่าจะเป็นนัง่งหรือว่าเดินนะที่เวอร์ไหนก็นแลแ้ว่ถ้ามันมีความม่วงมีความปวดมีความเบื่อลองอยู่ประมาณสักหน่อยก่อนสนะนะิไม่ว่าเราจะทาอะไรก็เหมือนกันนะนะอันนี้ถ้าเราปฏิบัติในรูปแบบนะก็ลอง คนประมาเท่าไหร่หรือ ถ, ถ้าเราทำนอกรูปแบบอะบางอย่างเนี่ยเคล็ดมันคนใจเร็วใจร้อนนะคิดคิดเลยแล้วก็ทำเลยนะคิดพุ๊บทำปับนะ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนง่ายนะเื่อก็อนะอโทรศัพท์ามาดูนะอยากพูดก็พูดเลยนะอยากทำก็ทำเลยบางทีก็ต้องตื่นะวางไว้ก่อนใจ ช, ช้าท่างหน่น ไปทำไรลองอยู่กับเสียบปวดเดิมต่อเนื่องไปแม้บางทีสภาวะอารมณ์นั้นมันมันก็มันไม่ดีนะเช่นเบื่อง่วงหรือปวดเมื่อยมันดูเหมือนไม่ดีแต่เราลองฝึกให้เห็นว่ามันเป็นส่วนหนึ่งแต่ความรู้สึกตัวที่เราสร้างเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอีกแบบหนึ่งอย่างง่วงเหมือเดิมอยู่ แต่ก็ยังรู้สึกตัวได้นะยังเบื่ออยู่แต่ก็ยังขยันภาวนาได้มันสามารถทําคูบคู่กันไปได้นะไม่ใช่ว่าเราจะขยันแต่ตอนที่อารมณ์ดีการปฏิบัติสงบหรือมีความสุขนะตอนไหนปฏิบัติไม่ดีก็ขี้เกียจไม่ใช่นะการภาวนาเนี่ยจะสภาวะอารมณ์ไหนก็ไั้แต่เนาะเราก็ทํา มันเนี่ยที่ค่อยชาชอบพู่น ะ, ะขยักกยนก็ปฏิบัติที่เกลียดก็ปฏิบัติมันเป็นแบบนั้นจริงนะบางทีถ้าเราเลือกแต่ตอนขยันเราก็่ปฏิบัติตอนที่เกียดเราไม่ปฏิบัตินะ่ะมันจะไม่ค่อยก้าหน้าเนาะนั้นขยักกยนก็ปฏิบัติที่เกียดก็ปฏิบัติง่วงก็ปฏิบัตินะ่ะไม่ง่วงก็ปฏิบัตินะ่ะ ปวดเมื่อยก็ปฏิบัตินะ่ะไม่ปวดเมื่อยก็ปฏิบัติลองทำไปเรื่อยททำตัวคล้ายๆเหมือนกับเข็ยนไม่เป็นคุนส่วนเนาะสมัยชอบสมายว่านเหมือนคล้ายๆเหมือนรถที่มันวิ่งคนละเด่นนะ่ะเราขับรถของเราแล้วเราก็ขับหน้าที่ของเราแค่ขับรถของเรานะ่ะไม่ให้คนไม่ให้เขีย่ยไม่ให้ตกถนน อาจจะมีเขที่ร่วมทางเราอีกหลายคันนะตามเราต้างหลังบ้านนำหน้าบ้านสวนทางกับเราบ้านนะหน้าที่เราคืออยาให้มันเป็นประสานงานกันนะไม่ให้ชนกันแค่นั้นแหละการฝึกสติจิตนะของเราทุหกหลังคณะฝึกให้เกิดความรู้แม้ท่าทางความปวดเมื่อย แม้ท่าทางาความเหงื่อหรือความม่วงแม้ท่าทางาความสุขความสบายก็เหมือนกันนะนเพียงแค่ยาวสติดนะนี่ะเข้าไปาเข้าไปสุกไปทุกข์กับอาการตา่างๆให้สติให้มันเด่นขึ้นมาเป็นผู้ดูนะให้มันรู้นะทุกขณนนะม่วงก็รู้เบื่อก็รู้คิดก็รู้นะถ้าทำแบบนี้นะมันจะเห็นได้ต้นแย่กกลงไปเ ไอตัวรู้ก็ส่วนหนึ่งนะที่รู้สึกความปวดเมื่อยก็ส่วนหนึ่งนะไอตัวรู้ก็ส่วนหนึ่งนะไอตัวคิดก็ส่วนหนึ่งนะไอ้ตัวรู้ก็ส่วนหนึ่งนะไอตัวความเอึดเนี่ยมาแทรกเข้ามาจีวิตนะะมันจะค่อยค่อยเห็นนะเราทำไปเลยนะสติปัญญาเราเนี่ยจะเกิดคําตอบไปอีกนะหลวงพ่อคาเขียนม่กจะพูดเสมอกนะารปฏิบัติธรรมเนี่ย ไม่มีคำถามมีแต่คำตอบนะและคำตอบนะั้นเป็นคำตอบที่เราได้ได้ตัวเราเองริงๆมันจะตอบตัวเราเองนะไม่ใช่คันคิดแล้วก็ตอบนะแต่มันสงสัยมันไม่เข้าใจแต่พอเราทำไปเรื่อยๆมันมีคาตอบที่เราสามารถเข้าใจได้เออสภาวะต่างๆแล้วก็เป็นเช่นนั้นของตัวเองนะแต่เรา ต้องทำาบบนี้ไปเรื่อยนะไม่ว่าจะข ย, ยันไ้่ว่าจะขี้เกียจไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขนะแต่เราทําเห็นะรู้สึกตัวแล้วก็รู้ทันนะเวลาใจเผลอไปชอบเผลอไปไม่ชอบนะใจมันไหนไปเอียงนะถ้าสุขสบายเ่็ไหลไปชอบนะถ้าไม่ดีก็ไหลเป็นไม่ชอบนะให้ลองให้ใจเราเป็นการ ใจมันตั้งมั่นกับสภาวะอารมณ์ต่างๆเนาะหย่าไไปตามอารมณ์ความเป็นการความตั้งมั่นความปกติเนี่แหละนะคือสิ่งที่ต้องพยงายามสร้างหรือพยายามรักษาแต่ถ้ามันหายไปนะลืไปนะขเขา่มอะไรเขากับ ม, มาใหม่เรนะนะาะปฏิบัติมันไม่ใช่ว่ามันจะทำได้ตลอดนะที่อุูบายจาร์ทัาอกไม่รู้ตัว ให้มันต่อเนื่องนะคาว่าต่อเนื่องไม่ใช่ว่าจะไม่หลงนะคาว่าต่อเนื่องไม่ใช่ว่าจะมีคิดนะคําว่าต่อเนื่องไม่ใช่ว่าจะมีพกุกนะแต่คือเราพยายามกลับมาให้มันได้เร็วๆกลับมาให้มันได้บ่อยๆกลับมาจากความคิดกลับมาจากความทุกข์เพรานั่นแหะให้มันไดเร็วๆ resign. มันจะเป็นความต่อเนื่องที่เราทําขึ้นมาเรื่อยๆ เราก็ไม่ต้องไปเอาเหตุเอาฝลอะไรนะอไม่ต้องใช้ความคิดควิเคราะห์วิจารอะไรอย่างที่ว่าไว้เมืม่อวาไม่อเอาไม่ต้องเอาความคิดไปแก้ความคิดนะไม่ต้องเอาความสงสัยไม่ต้องไปคิดหาคนตอบในใจนะไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจารคำนวณอะไรลองกลับมารู้สึกจี่ใจนะที่ครูบาอาจารบอกให้รู้สึกซื่นะ บางคนก็บอกพูดพูดดีแหวนนะพูดรู้แบบโงูโง้งคนที่เราอยากานนะเป็นฉลาดนะอยากเปคิดให้มันเข้าใจชอบฉลาด น, นะแต่จริงให้คําถามบางอย่างไอ้ที่ถามก็คือไม่ฉลาด น, นะไอ้ที่ของเลขคิดก็คือไม่ฉลาด น, นะนะแต่รู้ซื่อรู้โง่โง้ ง, งรู้แบบไม่เหมือนรู้เสียเฉยแบบนั้นนะมันเป็นการแก้ได้แบบลับมาเลยนะ เพราะที่จริงความคิดความสงสัยเนะี่ยคือชวนให้เราหลงนะชวนให้เราดื่มตัวไปอยู่กับความคิดหาคำตอบหาเหตุหาผลหาความพอใจไม่พอใจหาถูกหาผิดนะที่จริงเนะี่ยตลับมารู้สึกตัวไปเลยนะกลับมารู้สึกตัวเลยในการทำในรูปแบบพอดีนะนะมันจะคิดอะไรก็แล้วแต่กลับมารู้ตัวนะอย่าไปเอาเหตุเอาผล หรือเราอยู่นอกพูกแบบพอดีนะเวลาทางานทางานเนี่ยเมื่อกี้ก็จะมีเรื่องราวที่เราคิดว่าอันนี้ถูกอันนั้นผิดเพอัะนั้นดีอันนี้ไม่ดีนะลั่นยี่ห้เราก็รู้แบบสมมตินะแต่เราอาจจมีทิศติดนะถ้าทิศติดมันอจะทูกนะในทางโลกมันก็มีถูกมีผิดมีดีมีไม่ดีแบบโลกโลกนะมีชอบมีไม่ชอบมีเหตุมีผล แต่ที่สําคัญคือเรารู้เราใช้แล้วก็หวานอย่าไปติดมันนะคือมันต้มีถูกมีดีมีไ ม, ม่ดีมันไม่เหมือนกันหรอกนะมันไม่เหมือนกันแมนะ้แต่พระอรหันนะก็ชอบไม่ชอบต่างกันนะแต่ไม่ถึงว่าเป็นชนิดนิสัยที่แตกต่างกันหรือความเห็นเนะี่ยก็แตกต่างกันนะไม่ใช่ว่าจะ ต, ต้องเห็นเหมือนกันนะอย่าง ในสมัยหลังพระพุทธเ้าท่นานปนฏะิมนะิพานเนี่ยพระพุทธเจ้าปฏิมิพานแล้วก็ส่งก็ประชุมกันหนะ้าร้อยผู้ทาสังคยานาครั้งที่หนึ่งนะประมวลธรรมะแล้วก็วินัยของพระพุทธเจ้านะตอนก่อนพระพุทธเจ้าท่านปฏินิพานนะท่านเคยบอกพนระนอนุนว่าสีขาบทเล็กน้อยเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้นะ พอผสมมาไปจุ่มกันก็มาตีความชนะติขาเบดเล็กน้อยนี่คืออะไรบ้างม <c oughs> ยมก็คอยจะดูนะว่าถ้ามีสิขาเบดปาดิโม่220ข้อนะแล้วก็มีนอกปาดิโม่ที่หลายข้อมากค <c oughs> ำว่าติขาเบดเล็กน้อยเนี่ยพระอรหันต์ห้ า, า, หาร้อยร่นเห็นไม่ตรงกันนะบางกลุ่มก็บอกว่า สี่ขาปวดสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อนี้ต้องรักษาที่เหลือในเทคน้อยตัดทอนได้บางลูกก็บอกว่าร้อยห้าสิบข้อนี้ต้องรักษาที่เหลือตัดทอนได้เออไหมบางลูกก็บอกสี่สิบกวข้อเนี้ต้องรักษาที่เหลือตัดทอนได้บางลูกก็บอกว่าแค่สิบเจ็ดข้อเนี้ต้องรักษาที่เหลือตัดทอนได้บางลูกบอกแค่สี่ข้อปัจจุบัสี่ ที่เหลือตัดทอนได้คําว่าเล็กน้อยของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันพาาารนะอรหันต์ไม่ใช่บุตรชนนะออันนี้คือความเห็นความเห็นที่แตกต่างมันก็เลยเกิดเนนะี่ยสำนักที่มีข้อวัดมีรูปแบบการภาวนาที่แตกต่างกันอันนี้คือโดยสมมตินะสมมุติเนี่ยนแม้เป็นพระอรหันต์แม้เป็นบุตรชน มันมีความเห็นที่แตกต่าง ก, กันไดนะ้แต่ตัวโดยวิมุตตเนี่ยการไม่การไม่ยืดมั่นถือมั่นนะเห็นต่างกันแต่ไม่เขียงกันไม่ทะเลาะกันนะใช้นะคำพูดใช้เหตุที่ผลเพื่อพูดกันแต่ไม่ใช่ทะเลาะกันนะถ้านอาารทั้งหนะ้ารรูปนั้นท่านก็ในเมื่อพวกเราเห็นไม่ตรงกันสรุปกันไม่ได้ดนะังนั้น ก็ไม่ต้องตัดสิ่งที่รู้จากนั้นบรรจัยไวนะ้นะก็เลยบันจัยไวนะ้นะก็เลยเป็นเทราวาสกนะ็เลยเป็นไรียกว่าเป็นข้อสรุปของพระเทนะัสห้ารอยรูปที่ประชุมกันผสมในแบบเทราวานแบบเมงไทยก็ต้องเลยถือพระมินานะตามสมัยพุทธกานะตลอดไวแต่แบบมหาอย่างก็มีตัดคอนจปตัดผูบาอาจารย์บ้างก็ไม่ได้ผิด ไม่ได้บอกว่ามหายานผิดหรือว่าเาถูกแต่มันเป็นความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยเวลาเราเกี่ยวข้องกับโรคเหมือนกันนะ้นเราต้องเข้าใงตังนี้แหละบางทีความเห็นถูกผิดวนะัตถะนิยมหรือว่านะจะดิ้นนิสัยมันแตกต่างกันได้ะนะแต่เราเองให้รู้ถันตัวเราเวลาเราปฏทักเวลาเรากระทบกับสิ่งตํงตงตาดนะัน ให้เราต่อมานักตาใจนะให้ปกตนะิให้เห็นความรู้สึกนะเวลามีคนเห็นตาเรารู้สึกแบบไหนนะรู้สึกนะเวลาเขาคิดถึงนะเออออกเราเกิดความชอบใจเรรู้ทันเวลาเขาขัดใจเวลาเราเวลาเขาแย้ออกมารู้สึกไม่พอใจนะให้เรารู้ทันตรงนั้นไหน ความไม่ได้หนันใจก็ดีหรือความได้หนั่งใจก็ดีนะมางทีวก็ควนให้เราหลงนะ่ะต้องรู้ทันนะได้หนันใจก็เกิดความดีใจชอบใจไม่ได้หนั่งใจก็เกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยให้รู้ทันอนะแต่ผู้ที่ึกสตินะแม้มีความเห็นตา่าหรือเห็นตรงนะคอยจะรักษาใจความให้เป็นปกตินะนี่คือหลักสําคัญเนาะ เราปฏิบัติธรรมนะแต่ในรูปแบบก็ดนะีอารมณ์เกิดขึ้นมาจะดีน่าพอใจก็รู้กลวนนะ้วุ้วอารมณ์ความคิดคุ้งซ้างสงสัยเกิดขึ้นมาก็นั่นแหละรู้นะแต่ก็ยังทำเอ ง, องการเชิงสติตอยู่เนี่ยคือการภาวนาเราต้องทำนะะให้มันได้ไดเรื่อยๆได้ไบ่อยๆแล้วก็เห็น ถ้าเรามองแบบนี้นมันจะเห็นว่าทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์เนี่ยเขาสอนทธรรมะเราข้งหน้านเลยโดยเฉพาะอะไรที่มันขัดใจนะนะมันไม่ใช่ว่านะมันจะไป็นเหตให้เราปวดทุกข์ใจเท่านั้นนะแต่จริงมันทําให้เราเห็นตัวเองนะนะว่าเราติดอะไรมันเลยขัดนะมันเลยขัดมนดเลยนะติด น, นะมานะถุงหมอนนวดนะตอนนั้นเขาวิธีนวด เขาใช้ใช้ไม้ใช้เขาสัตว์นะ่นวดแบบครัวตาลขาเห็นคขาหนวดก็อธิบายหนละักการนวดไปเราก็เห็นแนละ้วคือมันก็ตรงกับธรรมะนะเนะี่ยเวลาเขาครัวตาไปเรื่อยนะนวดที่เส้นนวที่เนื้อที่ตัวเรานะตรงไหนที่ไม้หรือว่าเขาสัต์มันคัวไปแล้วมันสะดุดนะเขาบอกว่าให้ที่นั่นแต่ะมันมีปัญหามันเป็นทวามขื่นต้านมันเป็น เนื้อแข็งบ้านนะนวดไปแล้วมันสะดุดนั่นแหละถึงมันเป็นปัญหามันกหมายความว่จริงก็ามันกับใจเราเลยนะอ่ใจเราถ้ามันเป็นสะดุดอะไรน่ะมันเป็นปัญหาสดุดชอบสะดุดไม่ชอเนี่ยปัญหาที่ตรงนั้นไหละถ้าเราไม่ทันเหมันนะแต่จริงมันต้องทีมันเป็นปัญหาที่ทําให้เราได้รู้ตัวะมันทาให้เห็นว่าเออเหนอยู่ตรงนี้นะ ตอนนี้คือปัญหาของร่างตายมันเลยสะดุดนะมันไม่เรียบนะมันมีเนื้อมันมีความขึ้นมาที่มันแข็งนะใจเราเองมันเหมือนใจถนัดนะอะไรที่มันสะดุดนะไม่ว่าจะชอบหรือชันนั่นแหละมันสะดุดเสี่แต่ความเป็นปกติอนะต้องรู้นะมันสะดุดนะสะดุดท้ายไหมตาเห็นรูสะดุดนะสะดุดเพราะสวยสะดุดข้ะ ไม่สวยอกระตุกอยากจะมองกระตุกไม่อยากมองอันนี้ยคือเสียความเป็นปกตินะอะถ้าป ก, ปกติเนี่ยพอเห็นแล้วก็เฉยเฉยได้ยินเสียงก็เหมือนกันเสียงนี้เพราะก็เหมือน อ, อยากฟังเสียง น, นี้ไม่เพราะไม่อยากฟังออยากจะปิดเนี่ยนี่คือมากระุกแล้วนะกระตุกแล้วคิดกงเหมือนกันนะคิ ด, เ, นนะคดเรื่องนี้อยากจะคิดตอ่อ คิดเรื่องนี้แล้วไม่หยากจะคิดต่อนี่คือมาสุดตุตตรนะอ่าจิตมันเกิดความผิดงปกติขึ้นมาอนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าผิดเพี้ที่เดียวแต่มันเป็นตัวสังเกตนะเป็นข้อสังเกตให้เราเห็นว่าอันนี้สม็ุติฐานว่าจิตมันเสียความเป็นปกติไปแล้วนะใถ้าเราเห็นวนะ่าเนี่ยเมื่อไหรที่จิตมันสะดุดนะไปชอบไปชางนะไปพอใจไม่พอใจ คือปกติความเป็นปกติไนละแต่มันก็เข็นนะทําให้เราได้เห็นเหตุแล้วเราทําให้เราได้ทันนะทันสภาวะอารมณ์ความรู้สึกในจิตของเราเนาะนั่นแหลมันก็ไม่ใช่ว่าปฏิบัติไปแล้วมันจะเฉยตลอดนาะแต่มันไม่เฉยก็เพื่อให้เราได้เห็นเพื่อให้เราได้รู้ทันนะเนั่นแหละแต่ก็ตับมาแค่รู้เียเฉยเนานะนะไม่ต้องไปคิดแต่งการอะไร แค่รู้เฉยๆมันจะเปลี่ยนของมันเองนะแค่รู้เฉยๆมันก็จะวางของมันเองนะเราอย่าไปแทรกแซงอย่าไปจัดการเลยกับมันมากะแค่รู้นะมันจะดูมันจะเห็นมันจะวางของมันเองนะนะก็ทําแบบเนี้ยไปบ่อยเนาะเวลาเราทําอะไรนะก็แค่รู้มันเห็นมันนะเราจะเข้าใจมันแน่ๆนะนะมันเป็นเที่ยงเป็นแบบไหนนะมันเป็นปุ๊บเป็นแบบไหน มันไม่ใช่กลัวไม่ใช่กตนนะมังคับมันชามไม่ได้เป็นอนัตตากันแบบไหนนะนะี่ยคือเราจะไค่อยๆเกิด น, นะเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมานะจากการที่เราค่อยๆทําความเขียนนะั่นแหะไปเรื่อยๆนะแต่ต้องขยันต้องหน่อยนะนะวันนี้ก็ทั้งวันนะนะจะเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาก็อยู่ประมันีห้ได้นะนะแ่ที่มาพูดไปว่า ลองทำตัวเหมือนเราขับรถนะแค่ประคองรถของเราให้อยู่ในทางนะขับมารูตัวแต่มามีสตินะอยาให้ไปนะไปพอใจไม่พอใจอนยะูน่นะไปชนไปปอกนะไปชนที่ไหนนะอะไรจะเกิดขึ้นมาเข็นมเหมือนเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเขาจะรอ ข, อขอ้ามที่จริงเหมือนรถนะเขาก็ผ่านแล้วเขาผ่านไป เขาแสงแล่เขาก็กรเดินไปรเราแสงเขาแล้วเขาก็หายไปข้างหลังเราเลยอ า, ารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันนะจะเห็นว่ามันผ่านมาผ่านไปนะอาจจะเกิดอีกเื่อไม่เป็นไรผ่านไปแล้วะไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนไีนะนนรนะนน้่คือเราค่อยๆอยู่ไปนี้เรื่อยเนี่ยสติมันจะเป็นตัวเหมือนทางผ่านนะการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นเหมือนการเดินทางผ่านไปนเรื่อย ผ่านไปทุกขณะทุกขณะทุกขณะแต่ถ้าเราผ่านด้วยสติเนะี่ยมันจะทำให้เราเดินทางเข้าใกล้ปลายทางขึ้นเรื่อยๆนะเข้าใกล้ในเข้าใกล้มรรคผลวิพ า, านนะไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราไม่ผ่านเรียกว่าติดนะติดสุขติดทุกข์ติดพอใจติดไม่พอใจติดอารมณ์นะไม่ว่าจะเป็นไฟบวกไฟลบฟลนะติดนิวรน์สดี หรือติดที่เป็นวิปัสนูก็ดีติดทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านอารมณ์ผ่านอารมณ์ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นขุศลอ่ะขุ่สนสนก็ผ่านที่ไดน้นี่คือการภาวนาเป็นการเดินทางไปเรื่อยนะผ่านไปเรื่อยนะถ้าเราแวะบ่อยๆแต่เราลงทางเนี่ยต้องไม่ถึงปลายทา ง, ทงทนก็ดีครับก็ผ่านไปทุกขนาดเนะี่ยอาศัยความรู้ตัวเนี่ยนะกลับมา ขับมาหาความรู้สึกตัวนะขับมาหาความเป็นปกติของจิตนั่นแหละจะทำให้เราผ่านเหตุการณ์ต่างๆนะที่มันเติดขึ้นในกายในใจของเราได้ครับนะตลอดเวลาครับนะก็ต่อฝากไว้นะ